กรลทด้โดยชาวตุชนทุกท่านมาันมีความจิอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต้องประสบนะไม่ช้าก็เร็วนะนั่นก็นคือความตายอย่างที่เราเวลาได้สวดมนต์หรือรรทาบัติเย็นเนี่ย ก็จะมีข้อความตอนหนึ่งว่าอตอนเช้าคำว่าเช้าเราทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วนะเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกเป็นเบื้องหน้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นความแ ก, ก่ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสีย ในระหวางนั้นเนี่ยอาจจะมีความสุขมีความสำเร็จนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จบสิ้นเพราะความตายนะมัพราทุกอย่างไปจากเราหรือคุยอย่างนี้ถือว่าความตายพรากเรานะไปจากโลกนี้ เวลาพูดถึงความตายเนี่ยผู้คนก็รู้สึกใจประหวังหวาดกลัวเพราะว่าในส่วนลึกของคนเราเนี่ยย่องปรารถนาความเป็นนามตาปรารถนาความสืบเนื่อของชีวิอันนี้เป็น เป็นความปานตะตาของจิตให้สํานึกของเราเลยทีเดียวนะแต่ครันนี้เนี่ยในเมื่อเราต้องตายเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะประเชิญกับมันอย่างไรประเชิญโดยใจไม่ทุกข์คำตอบก็คือการหมันเจริญมอนสติ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 ก็ข้างความตายไปได้ดีดหรือผู้ใหญ่คือว่าทําให้เราเนี่ยตายดีที่จริงมรณาสะติเนี่ยนะหรือมรณะบุษติเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้เราตายดีเท่านั้นนะแต่มันยังช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยหรือช่วยให้เราอยู่ดีทด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันช่วยทําให้เราอยู่ดีได้อย่างไรแต่นี่ก็เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อไป แต่คนหนึ่งก็ต้องถามกันว่าต้องเข้าใจว่ามรนานุสติหรือมรนัตสติเนี่ยมันคืออะไรมนัสติหรือมรนานุสติเป็นรรรกรรมฐานแบบหนึ่ง หรือว่าเป็นวิธีภาวนาแบบหนึ่กงกรรมฐานในพุทธศาสนานี่มีเยอะนะพระภากา์ ก, กถาจารย์ท่านก็จำแนกเอาไว้ว่ามีส0สิบวิธีนะสวิธีเฉพาะเรื่องอนุสติเนี่ยอย่างเดียวก็สิบเข้าไปแล้วนะอนุสติแปลว่าเราลึกนึกถึงเราลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวดวัสักครู่เนี่ยก็เป็นการเจริญนะ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติแต่การเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขางนุสติก็ทําได้อีกอย่างนะไม่ใช่แค่ส่วนมนุ์นอย่างเดียวการที่เรามีพระพุทธ ร, รูปแล้วก็เป็นเครื่องระลึกนึกถึงนะในพุทธคุณนะอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติได้ นอกจากพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเนี่ยการเราได้ถึงสีหรือความวิธีเราได้ทาสีรากนุสติการราลิศถึงเทวดาซึ่งเป็นที่ตั้งศรัทธาก็เป็นนุสติอย่างหนึ่งและมรณานุสติหรือว่าเลเซนซามรณะนุสติเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ละวิธีก็มีจุดหมายต่างกันพุทธาธรรมาสังฆนุสติเนี่ย จุดหมายคือทำให้เราเกิดศรัทธาในพระธรรมตรัยเพื่อจะได้มีจิตใจมั่นคงในการทำความดีทําให้เกิดปิติประโมทนะส่วนมรณาทุตติหรือมรณสะสติเนี่ยถประสงค์คือเพื่อให้เราตั้งในความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมาก ในการช่วยทําให้เรามีชีวิต ท, ที่ดีงามเพราะถ้าเราประมาทเมื่อไหร่นะเราก็สามารถจะปล่อยชีวิตไปในทางตกต่ําได้หรือเพลิดเพลินในความสุขโดยก็การมาสุขนะซึ่งมีสเสน่ห์ในการาดึงดูดรวมทั้งคล่องกันโดยทั้งมีกําลังในการคล่อมนำจิตด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจให้โตกอยภายใต้การคล่อมนำของการมาสุขหรือว่า าสุขแบบโลกๆนะมันก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยยั่งแยง่อาจจะทำให้เราเนี่ยกล้าทำชั่วกล้าผิดศีลอย่างคนที่คโกงคอร์รัปชั่นหรือว่าไปลักขโมยหรือว่าฆ่าผู้คนเนี่ยนะก็เกิดจากการที่ไปหลงไหลนะในทรัพย์สินเงินทอง ในความสำเร็จในชื่อเสียงกิติยศในอำนาจพอลงแร้มากๆก็ทำให้อยากจะพร้อมที่จะกําจัดคนที่ขัดขวางหรือพร้อมที่จะไปแย่งชิงของเข้ามาอันนี้ก็ทำให้ทลัมไปในทางต่างชีวิตก็สามารถจะเข้าสู่อาบายภูมิได้ อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามรณสะสติเนี่ยอ น, นิสงสนะ์อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากก็คือทำให้เราเนี่ยคุ้นชินกับความตายมรณะมรณสะสติทำให้เราคุ้นชินกับความตายได้อย่างไรนะก็ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมว่ามรณสะสติเนี่ย ก็นะทำอย่างไรตอนนสติเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกก็คือการระลึก ถ, ถึงความจริงหรือการกระหนักถึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนความจริงนั่นก็คือว่าเราทุกคนต้องตาย แต่ในความแน่นอนนะั้นก็มีความ แ, มแน่นอนสูงมากก็คือเราไม่รู้ว่เาเราจะตายเมื่อไหรนะ่อาจจะตายสามสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าหรือปีหน้าทิศหน้าหรืออ จ, จะตายคืนนี้ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนะนี่คือนี่คือส่วนที่หนึ่งนะของการเจอรมรอนนัสสติคือเรารู้ถึงความแน่นอนว่าเราต้องตาย แล้วก็ไม่แ น, น่นอ น, นว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนที่สองก็คือการพิจารณาต่อไปว่าหรือถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราจะตายพรุ่งนี้คืนนี้เราพร้อมหรื อ, อยังนะเราพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังถ้าเกิดเราต้องตายคืนนี้พรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้หมายความว่าเราทำดีมาพอหรื อ, อยังนะเราทำหน้าที่ เสร็จสิ้นหรือยังหน้าที่นี้อาจจะหมายถึงหน้าที่ในฐานะลูกในฐานะพ่อแม่ในฐานะาบุคกาภในฐานะคนของศาสน า, ศ า, ศาอาจจะรวมถึงในฐานะคนของหน่วยงานขององค์กรด้วยก็ได้หน้าที่เหล่านี้เราทำเสร็จสิ้นหรือยัง นี่ข้อที่สองข้อที่สามคือว่าเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่า mm hmm. เพราะเวลาตายเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราต้องพลากจากทุกอย่างที่เคยมีและเคยเป็นหรือที่กำลังมีและกำลังเป็นอยู่นะทุกอย่างเลยมีแค่สองสิ่งที่จะตามติดไปในพรุนา้ก็คือบุญและบาสนะ แค่นั้นเองนะบุญและบาปเท่านั้นแหละที่เหลือนี้เอาไปไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติคนรักลูกพ่อแมนะ่บริษัทบริวาร น, นี่คือวิธีการเจริญร้อนนักสติหรือว่าเป็นแนวทาง คือจะทำยังไงก็ได้เนะี่ยแต่ว่าให้มีสองส่วนนี้คือหนึ่งความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นออกับเราซึ่งมีทั้งความแน่แนและความไม่ได้นอนสองการถามตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราพร้อมหรื อ, อยังนะอาจจะต้องตายในวันที่วันพรุ่ม นถ้าถ้าว่าทําไม่ครบเนี่ยนะอาจจะทําแค่ข้อเดียวก็คือว่าโวจะต้องตายแน่นอนเลยเพราคนที่ป่วยป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะความตายนี่มันมาปรากฏชัดมากเลยนะว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะหรือบางคนอาจจะยังดนุนยังสาวอยู่แล้วก็นึกถึงความตายขอยงตัวเองว่าจะต้องเกิดขึ้นจิต ใ, ใจก็จะขุดขู่ห่อเหี่ยวไดนะ้อันนี้เพราะว่า ทำไม่เป็นหรือทำไม่ถูกหรือว่าทําให้ครบถ้วนถ้าว่าทําส่วนที่สองด้วยเนี่ยคือถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราทําความดีมามากพอหรือยัง เ, ยเราทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะเราพร้อมจะปล่อยวางสิ่งต่างๆ่างหรือยังเนี่ยถ้ามีส่วนที่สอง น, นี้ด้วยเนี่ยไม่ทําให้เกิดความผลขวายทําให้เกิดความกระตือรือร้ น, นทําให้เกิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังเวชหรือสังเวชะ สังเวชเนี่ยภาษาบาลีหมายถึงความรู้สึกตื่นรู้สึกกระตุ้นเราให้เล่นขนไคว่ไม่ใช่แปลว่าสมเพศเวทนาหรือว่าหดหูนะอย่างที่เราใช้คำว่าสลสังเวชนะฮะอันนี้มันไม่มันเป็นสังเวชแบบไทยไม่ใช่สังเวชแบบแบบธรรมะหรือแบบบาลีสังเวชหรือว่าสังเวชะที่อยู่ในสังเวชชนสถานเนี่ย สี่ตำบลเนี่ยความหมายเพลินนี่คือเราไปสังเวชสถานเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความขวนขวายในการทำความเพลยนเพื่อการพ้นทุกข์เราไปสังเวชสถานไม่ใช่เพื่อให้เกิดสลดสังเวชแต่เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการทำความเพลยนในการปฏิบัติธรรมไปสังเวชสถานแล้วเนี่ยไม่เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเลยนะถือว่าไปไม่ถึงนะ เราถ้าไปแล้วรู้สึกสลดสังเวชนี่ก็ผิดเหมนกันนะอันนี้คือจุดหมายของสังเวชในสถานซึ่งสังเวชช้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แม้เราจะไม่เคยไปเลย ก, ก็ด้วยการที่เราเจริญมรรสติอย่างถูกต้องอันนี้อาจะมาได้พูดไว้ตอนต้นว่า ร้อนักสติเนี่ยนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยตายดีแล้วก็อยู่ดีนะหมายความว่าอย่างไงนะเอาตายดีก่อนนะคือเมื่อเราจเจริญร้นรสติบ่อยๆเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยตื่นกลัวต่อความตายน้อยลงนะเพราะเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ใช่ความตายใครความตายของเราใหม่ๆมันก็จะต่อต้านจิตใจจะต่อต้าน แต่พอเราคิดอยู่บ่อยๆคิดบ่อยๆเนี่ยจิตใจก็จะเริ่มยอมรับได้ว่าเนี่ยคือความจริงที่ต้องเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อจิตใจเราเนี่ยเริ่มคุ้นชินความตายเนี่ยเราจะกลัวความตายน้อยลงนะการกลัวความตายน้อยลงเนี่ยมันเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่จะทำให้เราตายดีได้เพราะว่าถ้าเกิดกลัวตื่นตระหนกนะในเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะ จิตมันเป็นอกุศลนอกจากทําให้ทุรนทุรายก่อนจะตายแล้วเนี่ยเนื่องจากจิตเป็นอกุศลในขณที่ตายเนี่ยก็จะไปอบายได้เพราะว่าสุคติหรือทุคติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตสุดท้า ย, ยภาษาบาลีเขาใช้คําว่ามรณาสัมณวิถีจิตนะหรือบางทีเราก็ใช้คําว่าอาสัมณกรรมเนี่ยมาแทนได้เหมือนกันอาสัมณกรรมแปว่ากรรมจนเจหรือว่า ความรู้สึกมาถึงสภาวะของจิตนะก่อนที่จะตาย เ, ยเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าอกุศลก็ไปทุกขติถ้ากุศลก็ไปสุขติอันนี้ความกลัวเนี่ยก็เป็นตัวนี้ที่ทําให้จิตเป็นอนกุศลได้ดยเฉพาะเมื่อกำลังตา ย, ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเรณนักสติบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มคุ้นชินความตายอยอมรับความตายได้มากขึ้น เมื่อถึงเวลาความตายมาประชิดตัวเราก็ไม่ตื่นตกใจมากอาจจะตื่นตกใจชักครั้งแล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็ยอมรับนะเพราะว่าเราได้เจริญรอดสติมเป็นประจำก็ทำให้เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญความตายได้โดยที่ไม่ตื่นตระหนกไม่สะท้านอันนี้ก็ทำให้ไม่ทุรนทุ ร, รายเวลาตายทำให้ไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าหลงตาย หลงตายเนี่ยเป็นภาษาโบราณคำโบราณแปลว่าตายแบบไม่มีสติตาแบบทุรนทุรายใครหลงตายนี่ก็ถือว่าตายไม่ดีนะการจดจำนักสติในแง่หนึ่งเนี่ ย, ย, เ, ยเหมือการซอมตายคนเราจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องซอมนะมันต้องซอม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 เพื่อทำให้ให้เกิดความคุ้นความชินหรือเกิดความทำให้ความประมาาน้อยลงมันต้องซ้อมแบบนี้แล้วถึงเวลาที่ต้องไปขึ้นเวทีเช่นไปพูดต่อหน้าคนที่มาชุมนุมที่รัฐสถานสนามฟุตบอลรัลชมังคลสถานคนหลายมือเนี่ยเราก็จะประมาาน้อยลงเพราะว่าเราเคยซ้อมมา ก, ก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยขึ้นเวทีอยางนั้นมาเลย ชันนะั้นก็ชั้นนั้นความตายเราไม่เคยเจอนะแต่ว่าเราสามารถจะซ้อมได้ซ้อมกับในสถานการณ์ที่สมมุติซ้อสมสมมุติว่าเราตายนะเรียกว่าซ้อมตายนะคราวนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราซ้อมตายบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรากลัวน้อยลงพอถึงเวลาเป็น ถึงเวลาตายจริงๆเนี่ยนะเราก็จะไม่ตื่นตระหนกมากนะอันนี้คือประโยชน์นที่เห็นได้ชัดเลยนะของการเจริญมรัคสติคือช่วยทำให้เราตายดีตายดีในความหมายที่ว่าเราไม่กลัวนะเราไม่ตื่นตระหนกหรือถึงมีก็น้อยลงนะเพราะเราเราผ่านการซ้อมมาใครด้วยกันเนี่ย ในกระบวนการเจริญรสนสติเนี่ยถ้าเราเจริญรสสติถูกต้องเนี่ยมันจะฝึกให้เรารู้จักการปล่อยวางนะเมื่อเราฝึกปล่อยวางบ่อยๆปล่อยบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาเรียกว่าตายเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะอุปสรรคทำให้ตายดีได้ยากเนี่ยหนความกลัวนะสองความยึดติดความหวงแหน ความอลาลัยปล่อยวางไม่ได้เมื่อเราเติมร้อนนัสดเดีเนี่ยนะเราก็จะเรียนรู้ถึงการปล่อยวางหรือเรียนรู้ถึงการที่จะทำใจ ย, ยอมรับความพัดพลาดไม่ใช่แค่ทรัพย์สมบัตินะแต่ว่าพัดพลาดจากคนรักเช่นลูกนะพ่อแม่สามีภรรยาเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราต้องตายแนละเราต้องพัดพลาดจากทุกอย่างแล้ว ะเนื่องจากเราได้สุดมาบ่อยๆฝึกมาบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายถ้าปล่อยวางไม่ได้เกิด อ, อะไรขึ้นนะก็จะมีอาการทุรนทุรายบางคนตาค้างจนตายตาไม่ยอมปิดเลยนะเพราะห่วงลูกหวงลูกเนี่ยก่อนตายเนี่ยแม่ซึ่เป็นมะเ ร, ร็ก็ถามแต่ลูกคนสุดท้อง อายุสิบัวห่วงลูกเพราะว่ า, พ, าพี่ชายสองคนเนี่ยติดยาแล้วก็ติดคุกห่วงว่าลูกคนสุดท้องจะเป็นเหมือนพี่ชายถามอยู่นั่นแหละพอตายตาก็เปิดพยาบาลพยายามปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่ได้วันรุ่งช้านี่ย่าติมารับศพนะเห็นตาเปิดก็เลยถุกทู แล้วก็บอกนะกับบินใจผู้ตายว่าหลานหลานคนนี้ไม่ต้องห่วงนะนะฉันจะรับไปดูแลเองพอพูดเสร็จเนี่ยนะปิดเกือกตาก็ปิดได้นะอันนี้คงไม่ใช่ความบังเอิญนะมันคงเป็นเพราะว่าผู้ตายเองห่วงลูกนะแต่พอมีญาติเนี่ยมาพูดให้คลายความกังวล ตาก็ปิดได้นั้นอาการแบบนี้ เ, เรียกว่าตายตายไม่หลับนะคือตายไม่ตายไม่ดีตาไม่สงเพราะความผ่วงลูกบางครั้งผวงเมียนะมีคุณลุงคนนึงแกยากจนมากนะตอนจะตายเนี่ยแกก็บอกเมียว่าถ้าฉันตายเนี่ยอย่าไปกู้นี่ยืมสินมาทำงานศพหรือไม่แต่ซื้อโลงนะไม่มีเงินก็ เอาศพยกให้โบทคริสไฟแล้วแกก็เฝ้าพร่ำย้ำเตือนภรรยายเียว่าอย่าไปยืมเงินมาทำงานศพเด็ดขาดพอตายนี่ตาย ก, ก็เปิดไม่ปิดนะบังเอิญเนี่ยพยาบาลที่ดูแลเคสนี้เนี่ยก็รับรู้ถึงความห่มใหญ่ของคุณลุงที่มาตลอดก็พยายามวิ่งเต้น สวัสดิการของโรงพยาบาลจะมาทัางแด้เงินมาก้อนประมาณสองหมื่นพอรู้ว่าผู้ตายตาเปิดแล้วก็บอกภรรยากับคุณป้าเนะี่ยป้ารี่ไปบอกไปบอกลุงนะว่าไม่เป็นหนี้แล้วนะได้เงินมาแล้วสองหมื่นเนี่ยทําศพได้แล้วป้าแกก็รีบไปเลยนะั่แล้วก็ไปบอกขา่าวนะบอกลุงที่ตายไปแล้วนะว่า ไม่ต้องห่วงแล้วไม่เป็นหนี้แล้วนะมีเงินทำศพแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยลูปตานะก็ตาปิดนะเราจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตาไม่ยอมปิดนะ <c oughs> เพราะมีความห่วงกังวลหรือบางคนยังไม่ตายเลยแต่ว่าแต่ว่ากระสับภาษสาชุรนทุราย จนกระทั่งผู้รักอย่างเช่นอาจจะเป็นภรรยาบอกสามีว่าจะดูแลลูกให้หรือว่าสามีบอกภรรยาว่าจะดูแลลูกให้พอให้ความมั่นใจแบบนี้เนี่ยเขาก็ไปสงบได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าถ้าใจมีความห่วงมีความอาลัยนะมันตายสงบได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ายังยังไม่ยอม ย, ยังยึดติดยังปล่อยวางไม่ได้เมื่อปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องมีการต่อสู้ขัดกับความตายนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจเจริญรอนัสตีบ่อยๆนี่นะแลเะเราเจริญรอนัสติเป็นเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ง่ายนะถึงเราปล่อยวางเราก็ปล่อยวางได้แล้วก็พร้อมผ่อันนี้คืออา น, นิสงส์นะว่าการเจริญรอนัสติทําให้ตายดีอันนี้พูดแบบยอ่อๆ อันนี้เจรมรรสติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ตายดีมันทำช่วยให้อยู่ดีอยู่อย่างมีความหมายและก็มีความสุขด้วยตายดีเนี่ยนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะอาจจะสิบปี2ี่ปีข้างหน้าก็ได้แต่ในขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยในขณะที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราเจอรรมรรคสติเนืองๆ น, น, นะ ไม่ทําให้เราเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นเตือนนะให้หมั่นทําความดีเช่นเมื่อเร า, จาเจอมาหน้สาสติเราถามตัวเองว่าเราทําความดีมาพอหรือยังนะถ้าเรายัางทําความดีไม่พอเราก็ต้องพยายามทำความดีมากขึ้นหลายคนเนี่ยเนื่องจากไม่เคยเราลึกถึงความตาย ก็เผลอคิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่คำฟ้าเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตไปนะเพื่อการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะเพื่อความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในทางโลกหรือว่าเพื่อความสนุกสนานเที่ยวเต่สนุกสนานเหมือนกับว่าจะไม่มีวันตายหรือว่า เท่าแต่สุกสนานเหมือนกับว่าจะไม่มีวันเจ็บไม่มีวันป่วยนะแต่พอเราเรู้ถึงความตายขึ้นมาเนี่ยนะโดยเฉพาะเมื่อเราจเจริญนอนนักสติมือหรือเมื่อเราได้เห็นความตายขอ ง, ของผู้อื่นอาจเป็นความตายของเพื่อนเรายังหนุ่มอยู่เลยยังสาวอยู่เลยอายุยี่สิบตายซะแล้วโอ้มันมันจะสะเทือนใจมากเลยรู้เลยว่าในสวรรค์ น, นึงเราก็จะเป็นอย่างเขานะหลายคนชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะ จากที่เคยใช้ชีวิตแบบสัมไปเลเทมเาไร้สาระเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิต อ, อย่างมีคุณค่ามีความหมายการจรุินมรสติเนี่ยนะมันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทและความไม่ประมาทเนี่ยเป็นคำสอนสุดท้ายของผู้เจ้านะปัจฉิมโอวาพผู้เจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์จะไินิพพานเนี่ยพระองค์ สอนมีคำสอนแค่สองบรรทัดนะต่างจากปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ประมาณ10หน้านะธรรมจากโรโพธิสูตรแต่ปช ม, มว่าเนี่ยสองบรรทัดสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความให้ประมายให้ถึงพร้อมเถิดคนะเราเวลาจะตายเนี่ยเราต้องพูดในสิ่งที่เรากลั่นกรองมาว่าสำคัญแล้วพระเจ้าเนี่กลั่นกรองมาหรือแค่สองบรรทัแดและพระเจ้าพูดถึง ความไม่ประมาทโดยอ้างอะไรอ้างว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงวายะธรรมาสังขาราสังขารอะไรไม่เที่ยงคือว่ามันจะต้องแก่ไม่ต้องเจ็บแล้วมันต้องตายนะโดยที่พระองค์ก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นก็คือกำลังจะปริญพาการจุลมรรสติถ้าเราทำถูกเนีย่ยทำให้เราเกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิต ก็คือว่าสักวันเราต้องตาย네เมื่อใครก็ตามที่ตนหนักตรงนี้ก็ต้องได้คิดว่าแล้วไอ้ที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าสทรัพสมบัติที่เราสะสมมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแค่ไหนถ้าว่าเราต้องตายแล้วไปไม่ได้มันทำให้คนเนี่ยได้สติที่จะไม่เอาแต่หาเงินหาทอง จนลืมตัวจนลืมการทำความดีหรือว่าสนุกสนานนะจนไม่ได้นึกถึงการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าหลายคนจะบอกว่าแล้วคอจะคิดว่าเออเรื่องความดีก็ดีนะเรื่องทำอุามก็ดีนะเรื่องปฏิบัติธรรมก็ดีนะแต่พอทำตอนแก่ได้ไหมใช่ั้ย แต่ถ้าเราเจริญนอนสติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้แก่ก็ได้นะใช่ไหม mm hmm. เพราะท่านตน้องรีบทำนะ mm hmm. หล้วคนบอกว่าลูกกันนะเอาไว้อีกสิปีได้ไหมตอนนี้ขอทํางานก่อนตอนนี้งานดีมากเลยนะขอกออตัวก่อนนะขอทํางานก่อนนะตอนนี้เนี่ยงานมันเข้ามาเยอะเลยนะอีกสิปีเนี่ยค่อยค่อยให้เวลากับรูปนะ เคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเราจะอยู่ทันไหมสิปีข้างหน้ามีพิธีกรรายการโทรทัศน์หนึงซึ่งมีชื่อเสียงมากนะเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอตอนนั้นแกนจบมาจากอเมริกาแล้วก็จับพัชจับปูมาเข้าสู่วงการโทรทัศน์วงการบันเทิงโอเงินเข้ามาเอ้งานเข้ามาเยอะมากก็เลยทำทำงานถือว่ า, ถ, าถ้าเป็นโอกาสไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปให้แกตตั้งเป้าว่าเนี่ย จะทำมิ้สัก20สปีแล้วที่เหลือเนี่ยจะให้เวลากับครอบครัวแต่แกทํากได้สิบแกทำได้แค่สิปีนั้นแกนก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งเนี่ยรักษาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ที่มีเนี่ยก็ไม่หายนะก็กลายเป็นว่าสิปีที่ตั้งใจว่ายี่ปีที่ตั้งใจตั้งใจว่าจะทํางานเต็มที่ก็ทําไม่ได้แล้วความคิดที่ว่าจะความฝันความหวังว่าจะได้มีเวลาใน ช่วงกลางช่วงท้ายของชีวิตในการอยู่ครอบครัวก็ให้สําเร็จถึงตอนนั้นเราบอกเลยนะว่าเนี่ยแกเคยพูดว่าเนี่ยถ้าหากมีชีวิตได้มีชีวิตยืน ย, ยนันขอให้เวล า, า, าวกาับครอบครัวแต่ตอนนั้นก็การคนป่วยก็สละถ้าเราตระหนักว่าความตายสามารถจะเดึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเนี่ยนะเราจะไม่ไม่โม้ขัดขอนในเรื่องเหล่านี้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 มีคนประมาณแสห้าหมื่นคนนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาแล้วเขาไม่รู้ด้วยนะวันเป็นวันสุดท้ายนะส่วนใหญ่ทั้งโลกนะประมาณแสหหมื่นคนเนะี่ยวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแสห้าหรือเปล่าอัตมาก็ไม่แน่ใจเป็นหนึ่งในแสนห้านี้หรือเปล่า น, นะให้การบรรลกษณ์เสียงมาเตือนว่าความตาย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 กับพ่อแม่ก็ไว้ทำวันหลังนะตอนนี้ขอทำงานก่อนนะตอนนี้ขอเที่ยวก่อนอันนี้ประมาณนะมีคนนึงนะายายป่วยชายหนึ่งคนนี้แกอยู่กรุงเทพนะับได้ข่าวว่ายายป่วยมาสองสาวันแล้วไม่จริงไม่ใช่ป่วยว ม, ามาัเป็นอาทิตย์แล้ว แต่ว่าที่แกก็เลยไปเยี่ยมหายแต่ว่าวันที่ไปถึงเนี่ยนนะมันก็ประมาณเย็นแล้วนะแทนที่แกจะเดินไปหายายตรงไปหายายเพลนปากปากซอยเนี่ยของบ้านยายเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนไม่ได้เจอกันนานก็เลยไปสังสรรค์นะสังสรรค์กันทั้งคืนนะ กะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวยังค่อไปเยี่ยมยายแล้วกันยายผมไม่รีบไปหรอกนะปรากฏว่าผิดคาด น, นะยายเนี่ยตายคืนนั้นนะกแกเสียใจมากเลยนะยายนี่ก็เลี้ยงแกมาแล้วก็แกก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับยายนะยายป่วยเนี่ยแทนที่จะมาเยี่ยมยายเลยนะก็มามันกันนะแต่ประมาทนนะอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกประมาทนะก็คือการคิดว่าความตายเนี่ยนะมัน มันจะไม่มาเร็วหรอกแต่กรณีที่เป็นความตายคนที่เรารักไม่ใช่ความตายของเราแต่มันได้ผลในกันคือว่าพอพอไม่นึกถึงเนี่ยมันก็ประมาทพอประมาทแล้วก็เลยผัดผ่อนพอผัดผ่อนแล้วก็เลยปล่อยโอกาสทองหลุดมือไปงนั้นประโยชน์ของมาราธอนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนขนไขวยในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อน ประการที่สองมันช่วยทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดนะที่จริงสองข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของการช่วยให้ตายดีนะเพราะว่าเวลาเราเจอรมอนัสติเนี่ยนะและเราทำบ่อยบ่อยเนี่ยบางครั้งเราเจอรมอนัสติแล้วเราสึกนึกถึงแม่แล้วเราเสียใจนึกถึงพ่อแล้วเราร้องไห้นะ เพราะว่าไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยนี่เราจะตาย้หรือเนี่ยนะหลายคนจะรู้สึก ง, งี้นะมันมถีถ้าเจอรมนัสจริงๆนะพอพอทำเสร็จนะวันรุ่มขึ้นนะจะเกิดความตื่นตัวนะเห็นความจำเป็นในการที่ต้องไปเยี่ยมท่านต้องรีบไปนะและถ้าเราเกิดรีบถ้าเกิดเราเราทำนะจนกระทั่งไม่มีอะไรที่ขาดใจนะถึงวเวลาตายก็ตายสงบ ไม่ใช่ว่าเวลาจะตายก็มานึกเสียดายว่าเราไม่มีเวลาไปดูแลแม่เลยไม่มีเวลาดูแลพ่อเกิดความสุขผิดอันนี้ก็ทําให้ตายไม่ดีนะเมื่เกิดมาพูดว่าการตายไม่ดีเนี่ยเกิดพากความกลัวสองความห่วงหาอะไรอีกอันหนึ่ง ค, ความสุขผิดความสุขผิเกิดจากการเกิดขึ้นจา ก, การที่เราละเลยเราผัดผ่อนในสิ่งที่ควรทำนะแต่ถ้าเราเจอรมนัสติเนี่ยมันทาให้เราขนขวากระตือรือร้น ไม่ผัดผ่อนอะไรไง่ายๆซึ่งถ้าเกิดเราทำแล้วจูๆตายทันทีเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจแต่ถ้าเกิดไม่ตายนะมันก็มีความหมายมันก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันทำให้ความสัมพันธ์เราในครอบครัวดีขึ้นทาให้การมีช่วเราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้น อันนี้เรื่องการคนควายสิ่งที่ชอบอั ก, ก่อนประการที่สองเนี่ยปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดนะอย่างที่อาจามาบอกเนีคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรา เ, าเวลาเราเริ่องนอนสติเราจะรู้เลยนะว่าเราติด ต, ตรงไหนเราติดเรื่องลูกเราติดเรื่องพ่อเราติดเรื่องทรัพย์สมบัติติดเรื่องงานนะในด้านหนึ่งก็ต้องรีบจัดการแต่ในด้านหนึ่งก็ต้องตระหนักว่า หาจะต้องไปจริงๆก็พร้อมจะปล่อยวางถ้าเรารู้ถึงความตายเสมอเนี่ยเราจะเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายด้วยผลสองสามประการประการแรกคือว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่เราสแสวงหาที่เราครอบครองชื่อเสียงหน้าตำแหน่งหน้าที่ที่เรายึดติดเชิงบาเป็นหลังเนี่ยมันออกไปไม่ได้ถึงเวันไรต้องตายก็ต้องถึงวันต้องตายก็ไปไม่ได้ทุกอย่ามันทําให้เราคลายความยึดติดมันลง ประการที่สองเราก็หนักว่าถ้าเราไปยึดมันก็ทาให้เราตายไม่สงบเพราะนั่นเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยนะและการปล่อยเนี่ยปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราหรือสิ่งที่เราหลักเท่านั้นนะเช่นเงินเช่นพ่อแม่ลูกหลานคนรักคู่ครองหรือทรัพย์สมบัติมันมีสิ่งที่เรา ยึดอยู่บ่อยๆฉะนั้นที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเลยมันให้ความทุกข์กับเราด้วยซ้ําคนเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเท่นะทานะเท่านั้นนะสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะเช่นอะไรบ้างความโกรธความเศร้าวความเสียใจนะเวลาโกรธเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่อยากปล่อยวางนะอยากจะอยากจะเก็บมนันเอาไว้เวลาเศร้านะเนี่ยนะเราอยากจมอยู่ในความเศร้า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 เสียใจที่ว่าพ่อแม่ผ่านไปสิบปีแล้วก็ยังไม่คลายเสียใจที่ดุด่าลูกนะนะตะว่าใส่ลูกนะก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือบางทีผิดหวังล้มเหลวไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้ทุกข์นะนีถ้าเกิดเจริมร้อนสติเนี่ย มันตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญการปล่อยวางเราจะตระหนักว่าถ้าเรายังมีอารมณ์แบบนี้อยู่เราจะตายไม่สงบนะเพราะนั้นต้องฝึกปล่อยความกลัวก็ทําให้ตายไม่สงบความความเครียดก็ทำให้ตายไม่สงบควา ม, วามรู้สึกผิดก็ทําให้ตายไม่สงบสทั้ทงไปอบายด้วย นามิกาเทวีนะในประไตรปิฎกเล่านามริกาเทวีนะนเนเีเ่ยนะเป็นเมรีศพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นคนที่ชวนให้พระชาประสิทธิโกศน์หันมาสนใจเรื่องการาทำบุญทำบุญศน์หันมาศรัทธาในพระรัตนตรัยและจู่ๆนามริกาเทวีก็ตายแต่ตายเร็วตอนที่จะตายนามริกาเทวีเนะี่ยกนึกถึงอะไรกันนึกถึง การที่แก่ได้ไปโกหกพระเจ้าปเสนิโกศลในเรื่องหนึ่งเรื่องที่น่าอับอายโกหสําเร็จนะแต่ว่ามาเสียใจตอนจะตายรู้สึกผิดมากเลยจิตใจเ่อ้าหมองเพราะว่าได้ทำผู้สาวว่าตายปุ๊มนี้ไปไหนฮะไปอบายเลยเป็นนรกเลยเจ็ดวันไอความดีที่ที่ทำเอาไว้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ไ ม, ไ, มไม่ม่ีผลนะั่นมีผลแต่ว่า อาสันนักกรรมหรือหรือที่เรียกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยกรรมทำกรรมใดแล้วก็ตามบวกหรือลบเนี่ยมันจะส่งผลก่อนเป็นประการแรกถ้ากรรมเป็นอกุศลหรือว่าด้วยองเพาว่าจิตที่เป็นอกุศลก็ทําให้ไปอบายถ้าจิตเป็นกุศลก็ไปสุคตินาเมริกาทีวีแกมีความรู้สึกติดและปล่อยวางไม่ได้ไปอบายในระดับแต่ความดีที่ได้ทําไว้เนี่ยก็หนุนส่งให้ หลังจากนั้น7วันก็ได้ไปได้ขึ้นสวรรค์เอ่อะว้แล้วเนี่ยเรื่องการปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดเนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวหลายคนมีความกลัวและคนมีความเศร้าเนี่ยถ้าเจริญนอนนสตินะมันช่วยนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เคยบอกสตีฟจ็อบส์ก็เป็นโรคก็ เ, คเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยก็เคยบอกว่าก็เคยไปสแสดงปาฏิหาที่หมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ตอนนึงเขาบอกว่าเขาพูถึงตัวว่าเขากําลังจะไม่รู้จะตายเมื่อไหไร่แล้วเขาพูดถึงประสบการณ์ว่าเวลาที่ถึงความตายเนี่ยมันมีประโยชน่ยังไงก็บอก ว, ว่าไอ้ความหวังความภาคภูมิใจความกลัวหน้าแตกกลัวผิดหวังเนี่ยไอ้พวกนี้มันมาลายหายไปในทีเลยเวลาที่ถึงความตายคือปล่อยวางได้ง่ายมากเลยนะเวลาที่ถึงความตายเนยไอ้เวลาที่พวกเราไม่ถึงความตายเราจะเศร้าเราจะเสียใจที่ล้มเหลวที่งานไม่สําเร็จแล้วสึดโหด การที่เราล้มเหลวที่มันน่าแตก เ, เสียหายมากเพราะว่ามันหายก็ป เ, ยนะเป็นปเลยนัะนวลาคิดถึงความตายเพราะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรื่องจิ๊บจ่อยทันทีเมื่อนึกถึงความตายถูกเพื่อนดา่าโมโหฉุนเฉียวทะเลาะ ก, กับแฟนมาโกรธมากเลยบางทีทะเลาะไม่เป็นเรื่องนะเรื่องแค่กระเบื้องแผ่นเดียวทะเลาะ ก, กันนะพอคิดถึงความตายนะไอ้เรื่องที่ทะเลาะ ก, กันเห็นเลยนะมันปเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยมันวา ง, งทันที นะโทรศัพท์หายหว่เสียใจมากนะแต่พอได้ถึงความตายนะซึ่งเราต้องสูญเสียทุกอย่างนะไม่ว่ารถไม่ว่าบ้านรวมทั้งคนร้างไอการเสียโทรศัพท์ไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้เราปล่อยวางได้ถ้าประโยชน์ของบราณสติเนี่ยมันมีประโยชน์สาหรับ ก, การที่ช่วยทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น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 คนเสื่ทุกวันนี้ไม่ค่ยมีความสุขเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ที่ตัวเองมีไปอยากได้สิ่งที่ตัวอยังไม่มีความทุ่งคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะไอ้สิ่งที่มีเนี่ยไม่ค่อยได้ชื่นชมมันเท่าไหร่หรอกไปมัวแต่จดจ่อสิ่งที่ยังไม่มีนะมีเงินร้อยล้านก็ยังทุกข์เพราะว่าคนอื่นเขาได้สามสี่ร้อยล้านนะคนอื่นเขามีรถคันใหญ่เรายังไม่มีนะก็ทุกข์ ทั้งที่เราก็มีเยอะแล้วเด็กเนี่ยนะก็มีอะไรต่ออะไรมากมายนะทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนมกล้องแต่เด็กก็ยังทุกเพราะว่าเพื่อนมี iPhone เรายังไม่มี iPhone เลยนะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนเราเนี่ยหันมาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีนะ หามาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายมานักสติมันช่วยตรงนี้เมื่อเราตระหนักว่าสิ่งที่เรามีวันนี้<ม>พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้เวลาเรานึกถึงว่าเราต้องไม่มีสิ่งเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยในวันหน้าเ่เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามียกตัวอย่างเช่นเอา ง, านนะาางา่ายต่างเรา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 คุณจะรู้สึกเลยนะว่าการที่คุณมีตาลองเห็นมีหูที่ได้ยินนะมีต า, ามีมีมือมีม้าที่เป็นปกติเนี่ยมันเป็นโชคแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราก็ตระหนักว่าลมหายใจนี่มีค่าแค่ไหนเราโชคดีที่มีลมหายใจและลองคิดแต่สักวันหนึ่งเราไม่มีลมหายใจหรือว่า หายใจไม่ค่อยได้เกิดแอร์ฮังเกอร์อย่างคนป่วยเนี่ยที่เราเห็นตามโรงพยาบาลขาดท้องหิวหิวอาการเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยเครื่องนะโอ้คนที่คนที่ไม่เคยได้เห็นคนที่หายใจด้วยเครื่องนี้นะไม่รู้เน่าทรมานแค่ไหนนะเมื่อเมื่อตามที่เราบอกว่าเราสิ่งที่เรามีในวันนี้เนี่ยเราจะสูญเสียไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เรารู้สึกแล้ว่าโอ้ยที่เรามีทุกวันนี้นยังพอแล้วมีความสุขแล้วะไม่ต้องมีอะไรมากนะัะแค่สิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่เสียไปก็มีความสุขแล้วความสุขมันจะง่ายขึ้นมีแม่บ้านคนนึ่งก็ บ, บอกว่าทุกเย็นเนี่ยเมื่อสามีและลูกเนี่ยกลับถึงบ้านและกินข้าวพร้อมหน้าเธ อ, อกว่าเธอมีความสุขแล้วแค่นี้ และเธอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มีโอกาสแบบนี้เพ่ออะไรก็เธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยลูกสามีจะได้มนีโอวกาสกินข้าวพร้อมกับเธอหรือเปล่าอะไรอะไรก็ไม่แน่ความสูงของเธอจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีรถหลายคัน เพียงแค่ลูกสามีได้มาอยู่ค้อมหน้าเธอก็มีความสุขแล้วแล้วมาเชืว่าเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าเนี่ยเรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังมีสุขภาพดีเร า, า จ, จะไม่รู้ได้ซ้ําำละว่าคนที่เป็นมะเร็งคนที่เขาเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาทรมานอย่างไร แต่ลองเราไปเห็นเขาเนี่ยแล้วเราลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเขาสักวันหนึ่งมันจะทรมานแค่ไหนและตอนนั้นกลับมาดูกลับมามองกลับมาที่ตัวเรา่็ตอนนี้เรายังไม่ป่วยไม่ไข้นะโอ้โเราจะรู้สึกขอบคุณเลยความสุขมันง่ายขึ้นเมื่อเราจเจอรสบรณสติในแง่นี้และวสุดท้ายคือว่าจเจอรสบรมนัสติเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับคนที่เราอยู่ต่อนหน้าเวลาเรา อยู่กับใครแล้วลองจินตนาการไม่เรากับเขาวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนร่วม ง, งานถ้าเราลองที่แบบนี้นะั้นเราจะอ่อนโยนกับเขามากขึ้นเราจะใส่ใจเขามากขึ้นเราจะไม่ทําตามอารมณ์แม้พ่อแม่จะว่าเราพ่อแม่จะพูดแรงๆกับเราแต่คิดสักหน่อยว่าผู้นี้ท่านอาจจะไม่อยู่กับเรา เราจะไม่โกรธจะไม่ตวาดหรือว่าด่าท่ากลับเราจะอดกลั้นศิลปนในการมีชีวิตที่สัมพันธ์ร่วมร่วมรื่องกับผู้คนนะก็คือการคิดว่าสักวันว่าวันนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นวันที่เรากับเขาจะได้อยู่กันเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราลองคิดแบบนี้นะเราจะเราจะ ทะเาะเบาแหวกกันน้อยลงเราจะทำตามมารมน้อยลงเราจะใส่ใจมากขึ้นเราจะอ่อนโยนมากขึ้นแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ราบรืบร่นและทำให้ชีวิตมีความสุขความผิดพลาดหลายครั้งของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ตระหนักถึงความจริงว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งความตายอีพิบางคนหนึงเล่าว่าเธอสนิท ก, กับน้องชายวัยรุ่น วันหน่เธอก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลตามป ก, กติน้องชายก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลน้องชายก็สนิทกับเธอมากก็เลยมา น, นูเนี่ยกับเธอเธอก็รู้สึกลำคาญเพราะกําลังทํางานจู่ๆน้องชายเก็พูดมาว่าพี่ที่รับผมไหมเธอลาคันนะเธอก็บอกกลับบ้านไปก่อนนะพรากว่าน้องชายกลับบ้านนะแต่ไม่ถึงบ้านนะ เจออุบัติเหตุตายเพรเธอรู้ที่เธอเสียใจมากคือรุ่น้องตายก็เสียใจแต่ที่เสียใจอันหนึ่งที่หนักคือว่าเธอรู้สึกผิดที่ว่าเธอน่าจะพูดดีๆกับน้องชายถ้าเธอตอบว่าใช่พี่กำลันงน้องเนี่ยเธอก็รู้สึกรู้สึกผิดน้อยลงอย่างน้อยเนี่ยน้องชายตายด้วยความรู้สึกดีๆที่เธอได้ให้กับน้องชาย แต่เธอไล่น้องชายไปเพราะอะไรพรเธอคิดว่าเดี๋ยวไปคือนที่บ้านก็ไดนะ้มีอีกรายหนึ่งนะเขามาเข้าคอสนะคอสนี่ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการปรับความสัมพันธ์วิทยากรก็ให้ให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยนะได้นึกถึงคนที่ใกล้ตัวแต่มีความสัมพันธ์ที่เรอหองระแหง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 พูดถึงว่าพ่อเนี่รักลูกยังไงบ้างตั้งแต่เล็กเนี่ยพ่ออุ้ ม, อ, มอุ้มลูกมาตั้งแต่เล็กยังทราบซึ้งนะแต่ว่าตอนหลังก็โตคือกราห้องกระแหงกันอันนี้วิทยากรบอกว่าให้ทุกคนโทรศัพท์ไปบอกคนที่ตัวเองเขียนเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะหลายคนก็ไม่เขินนะเพราะว่าไม่กล้าไม่เคยพูดดีๆกันมากันมานานแล้ว แต่แลาคนทำต้องใช้ความกล้านะแต่เธอไม่ทำเธอไม่กล้าเธอบอกว่าเดี๋ยวอีกสองวันก็กลับบ้านแล้วค่อยไปพูดตอนนั้นก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นนะบรากว่าได้ขาวว่าพ่อเนี่ยแขนคอตาพ่อแกมีปัญหาเรื่อง depression เป็นพวกซึมเศร้าเพราะเธอเสียใจมากเลยนะเพราะถ้าเธอโทรไปคืนนั้นนะพ่อคงอาจจะไม่ตาย พ่องรู้สึกดีนะหรือถึงพ่อถึงแม้พ่อทำเนี่ยเธอก็ยังรู้สึกดีว่าอย่างน้อยก็ได้พูดความในใจให้พ่อก่อนที่พ่อจะ ล, ล่ลงนี้ไปเนี่ความแล้วเธอก็รู้เสียใจผิดนะรู้สึกผิดความผิดความรู้สึกของมนุษย์ในี่ยนะหลายครั้งหลวยการที่เราประมาทเราปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปแล้วโอกาสทองคืออนะไรโอกาสทองคือปัจจุบัน ทำดีกับคนที่เรารักเสียแต่เดี๋ยวนี้หรือว่าทําดีกับคนที่อยู่ตอนหน้าเราเสียแต่เดี๋ยวนี้เพราะอาจไม่มีโอกาสนะเราถึงตอนนั้นเนี่ยพอไม่มีโอกาสแล้วก็มาเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าเราทำนะเราใส่เราเราเราราู้ถึงความตายว่าสามารถเกิดขึ้นกับเรกก า, ารก็ได้เกิดเพื่อคนที่เรารักก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติเข้ามันก็ว่าเรากับเขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเป็นวันสุดท้าย มันทำให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอ่อนโยนแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะทั้งนี้เราผู้นทั้งหมดเนี่ยบาลนักสติเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ช่วยทำให้ตายดีเท่านั้นนะมันช่วยทำให้อยู่ดีด้วยอยู่ดีเพราะว่าตายดีเพราะวันหนึ่งนะเราได้รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดสองเราได้ผลขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนไม่มีอะไรค้างผาใจนะ แล้วก็ปล่อยวางได้ไม่มีความกังวลความกลัวก็ไม่มีเพราะทําความคุ้นเคยกับความตายอยู่เสมอทุกวันทุกวันก็ตายดีส่วนอยู่ดีก็เพราะว่าเมื่อเรารู้จักฝืนฝ่าในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมก็ดีการให้เวลาครอบครัวก็ดีการดูแลพ่อแม่ก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขนะมีชีวิตที่ราบรื่กนกลมกลืนกับผู้คนซึ่งเป็นคนที่เรารัก การณ์ถ้าเรารู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องทุกกับความสูญเสียซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิตสูญเสียในที่สูญเสียทรัพย์สินนะหรือว่าไม่องทุกกับความระหองระแหงความโกรธเพราะเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะเราได้เห็นพลุก้าสิ่ง ต, าตา่างๆและการที่อะไรพลุกาวของสิ่งตา่างเพราะเรารู้ว่าสักวันมันต้องจากไปมันทําให้เราเนี่ย ใส่ใจกับผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเราได้ง่ายขึ้นที่ถามว่าจะเจริญนอนนักสติอย่างไรนะไปแต่สุดท้ายนะวิธีการง่ายๆที่ที่ที่มันที่มทําก็คือว่าเจริญนอนนักสติก่อนนอนนะเช่นสมมุติว่าคืนนี้เป็นคืนที่ตัวเองจะต้องตายเป็นคืนสุดท้ายของตัวเองเนี่ย นอนราบก็คือแล้วก็พิจรารณาว่าจะต้องจากรูปไปจะต้องจากพ่อแม่ไปจะต้องจากงานการทรัพย์สมบัติไปจะไม่มีเหลื อ, เ ล, อเลยแม้กระทั่งตัวตนการลึกลับนี้เนี่ยนะ่มหมายจะทํายากเพราะว่าใจมันจะฝืนใจนจะตั้งแต่ถ้าเราเระลึกเนี่ยนะมันจะทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วมันทําให้เราเนี่ยอันไหนที่เราติดขันเราก็ต้องหันไปจับ พยากาไปแก้ไขนะอันนี้เราซ้อมตายซ้อมตายก่อนนอนนะบางคนก็ซ้อมตายอย่างง่ายที่ว่ามองว่าตัวเองนึกถึงงานนึกถึงงานศพของตัวเองนึกถึงตัวเองว่าอยู่ในอยู่ในโลงอยู่ในหีบศพนะแล้วก็มีในงานศพก็มีคนมามากล่าวปลื้มตัวเองอย่าให้เขากล่าวตัวเองแบบไหนนะ หรือว่าเห็นตัวเองเนี่ยค่อยค่อยเน่าเปื่อยไปนะอันนี้ก็ต้องจิตแข็งเลยนะเพราะว่าเห็นตัวเองเนี่ยค่อยอจากร่างกายที่เคยอ่อนนุ่มนะมันก็เริ่มแข็งนะที่เคยอุ่นก็กลับเป็นเย็นนะที่เคยกระดิกกระเดี้ยได้ก็กระดิกกระเดี้ยไม่ได้แล้วที่เคยสวยก็เริ่มค่อยค่อยนะค่อยคอยเสื่อมจ น, นทั่ง กลายเป็นบวมอืดแล้วก็เน่าเนี่ยนะหลายคนอาจารย์สวดนี้มันแรงไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาแบบเพื่ว่าถ้าเกิดเราต้องตายเนี่ยอย่างที่ธรรมาพูดตอนแรกว่าถ้าเราต้องตายเนี่ยเราต้องรักษากทุกสิ่งทุกอย่างไปอันนี้เราซ้อมตายมีวิธีการเจลน์มนัสติหลายอย่างเช่นที่ธรรมาใช้ประจำก็คือเวลาเดินทางเนี่ยเวลานั่งร ถ, ถงขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็พยายาม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 หลวงพ่อโสธรหรือว่าจะนึกถึงครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงพ่อเท็จหลวงหลวงปูท่ทวะอะไรก็ว่าไปนะซ้อมมาไว้ซ้อมาอมาไว้เวลามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจิดมันก็จะได้เระลึกถึงได้ไหวอาจจะเช็คด้วยว่าเออเรามีอะไรค้างคากับพ่อแม่กับลูกไหมเช่นนึกถึงหน้าลูกนึกถึงหน้าพ่อแม่ท่านนึกถึงแล้วทุกเฉยเฉยก็แสดงว่าเราไม่มีอะไรที่ติดเราสึกเราปล่อยวางได้ เราทำหน้าที่ครบทุวนสมบูรณ์เวลาไปไปโรงพยาบาลเนี่ยนะก็ลองนึกว่าเออคนที่เขานอนอยู่บนเตียงเนี่ยสักวันอาจจะเป็นเรามีสายรุยงระ ย, ยางเยอะแยะนอนติดเตียงไม่สามารถหายใจตัวเองได้ต้องอาศัยเครื่องนะต้องหายใจตามเครื่อง มีท่อสอดเข้าไปในปากนะมีมือที่ถูกมัดนะถามใจถึงว่าเราพร้อมหรือยังนะที่จะอยู่ในสภาพนี้เ๋ยวาลืมนะฮะ๙๐ของคนสมัยใหม่เนี่ยจะตายแบบชา้าๆไม่ได้ตายแบบทันทีไม่ตายแบบทันทีเช่นหัวใจหยุดเต้น หรือว่าอุปติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติ 90% จะตายไปนักช้าตายแบบโรคตายด้วยโรคเรื้อรังนะซึ่งมักจะหนีไม่พ้นนะสี่โรคนะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานไตวายเดี๋ยวนี้ก็มีอันข้อที่ห้าคือโรคหลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดสมองแตกเป็นผัดอันนี้ไม่ทูดถึงอัลไซเมอร์นะฮ ะ, ะอัลไซเมอร์นี่ก็โชว์ีน่คือไม่รับรู้อะไรแล้ว แต่ตอนที่รับรู้เนี่ยคือไอ้โลนีสี่หรือห้าโลนี่ น, นะเราพร้อมไหมอย่างที่จ ะ, ะเผชิญกับมันนะใจเราพร้อมไหมหลายคนเนี่ยนะแค่แค่แก่แล้วอยู่บ้านเนี่ยคนเดียวก็ทำไม่ไหวแล้วนะเอาจมาเจอมือคนแก่ที่เคยทำงานกระฉับกระเฉงเคยเที่ยวนะพออยู่บ้านก็ชรานะอายุแปดสิบทำอะไรไม่อะไรก็สับกระสายมากเลย พ่อไม่เคยได้ทำนะพ่อไม่ได้ทํางานอย่างที่ตัวเองชอบหรือไม่ได้เที่ยวอย่างที่ตัวเองเที่ยวอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าแสงไม่เคยเตรียมเลยแล้วขนาดร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยนะเพียงแค่ว่าไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้เที่ยวนี่ยังกระสับกระสายขนาดนี้แล้วท่านอนติดเตียงนี่แล้วก็มีทุกขเวทนานี่จ ะ, จะไหวเหรอใช่ไหมให้เราพิจารณานี้มันก็ทําให้เราต้องเห็นความสําคัญการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจนะไม่ใช่แค่เตรียมเฉพาะ ที่ในกรรมหรือปกันภัยเวลาการจรลมนักสัญยันคือการเวลาเราดูข่าวนะทั้งไทยรัฐก็ดีโทรทัศน์ก็ดีโดยเพราะาข่าวเวลามีอุบัติเหตุแผ่นดินไหวภัยธรรมชาตินะอย่าสนใจเพียงแค่ว่าเกิดกับใครเกิดที่ไหนให้เรารอพิจารณานะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราสักวันนึงเนี่ย เราทำใจได้ไหมหรือเราจะทําใจอย่างไรจะไปคิดว่ามันเป็นคนส่วนใหญ่มองคนส่นเวลาอ่านเวลาดูข่าวนี้ก็สนใจว่าเกิดขึ้นกับใครที่ไหนแต่ไม่เคยได้ถามใจ ว, ว่าเออทำไมเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะทําใจได้ไหมเราทําใจถ้าทำใจทาใจไม่ได้แล้วจะฝึกอย่างไรถามตัวเองนะอันนี้มันยากาศเป็น สิ่งที่กระตุ้นให้เราไม่ประมาทข่าวที่เราฟังจะกลายเป็นธรรมะทันทีนะเพราะมันเตือนให้เราไม่ประมาทเวลาเกิดเหตุเช่นเงินหายโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงเงินเนี่ยหลายคนก็ทุกข์นะแต่ลองมองอย่างนี้เสรีว่าเออนี่เข้ามาเป็นสัญญาณเตือนนะว่าวันนี้หายเท่านี้ต่อไปจะหายหนักกว่า น, นี้ อันจริงๆแล้วสวรรค์ยังต้องเกิดขึ้นนะเพราะถึงเวลาเราตายใช่ไหมฮนะมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านมีพันล้านก็หมดพันล้านมันไม่ใช่แค่ แ, แค่โทรศัพท์หายเงินถูกกงเงินเปหมื่เป็นแสนเนี่ยนะมันมันจิ๊บจอยนะนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือมันเป็นสัญญาณเตือนว่าวันหน้าจะเจอหนักกว่า น, นี้ถ้าตอนนี้ยังทําใจไม่ได้แล้ววันหน้าจะทำใจอย่างไรนั้นทํามใจเรนนิดอยู่บ้าง เวลาคิดแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยจะเรียนรู้เออทางานจะปล่อยวางให้เหตุการณ์นี้ให้ได้เพราะถ้าเราปล่อยวางเหตุการณ์นี้ไม่ได้เนี่ยวันหน้าเราเจอหนักคนนี้เราก็ก็เสร็จสิครับมันการของดีไปนะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยหนึ่งมันเปการเติอนให้เราเรารู้ถึงความไม่เที่ยงความสูญเสียที่ที่เป็นธรรมดาของชีวิตและจะหนักขึ้นเรื่อยเื่อย สองมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกปล่อยวางมีประโยชน์นะฮะสอนสัจธรรมให้กับเราเงินหายถูกโกงเนี่ยและสอนเป็นการบ้านฝึกใจเราทั้งสอนใจทั้งฝึกใจเราแล้วก็เตือนให้เราเรารู้ถึงราณนสติด้วยนั้นเจนได้ว่าการเจริอนนัสติมันทำได้ได้ตลอดเวลานะ เราได้สามารถใช้เหการต่างๆมาเป็นอุปกรณ์สอนหรือเตือนใจให้เรารู้ถึงมรานาสติได้นะและถ้าเกิดว่าเราเจริญมรณาสติบ่อยๆแล้วก็พยายามพยายามใช้ประโยชน์จากการเจริญมรณาสติเช่นมันทําดีมันทําบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะเรียนรู้จากการปล่อยวางนะ เมื่อถึงวันที่เราตายเนี่ยการตายจะไปเรื่องง่ายมากขึ้นอันตอมาประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งน ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงคนนี้นะแต่เธอเป็นคนเล่าทุกช้าตื่นขึ้นมาตีห้าเนี่ยเธอก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในห้องครัวเธอตื่นมาตีห้าเนี่ยเพื่อจะไปทํางานะครับคนเทยสมัยนีตงงน้ตื่นงานแต่เช้าตื่นมาแต่เช้าเพื่อไปทํางานแม่กับยายเนี่ย ทำครัวเพื่อจะจะมาใส่บาตรพระทุกวันไม่มีขาดไม่มีเว้นเสาร์วอาทิตย์ก็ใส่แต่เธอไม่เคยได้ใส่เพราะเธอต้องไปทำงานวันหนึ่งตื่นมาจะไปทำงานเห็นแต่แม่ยายไม่เห็นก็เลยถามแม่ว่ายายไปไหนยายอยู่ในห้องเธอก็ไปเรียกยายหน้าห้องยายวันนี้ไม่มาไม่มาไม่ใส่บาตรเลย ก็มีเสียงยายตอบมาว่าไม่ใส่และววันนี้ยายจะนั่งส ว, สวดสวดมนตแล้วก็นั่งสมาธิเธอก็ไม่เอกใจอะไรเธอก็ถามต่อว่ายายจะเอาอะไรไหมได้ ว, ว่าแม่เอาอะไรแล้วเธอก็ไปสายแล้วเนี่ยยายก็ยังไม่ออกมาแม่ซึ่งเป็นลูกของยายเนี่ยก็เลยไปเรียกหน้าประตูไม่มีเสียงเปิดประตูเข้าไปก็เห็นยายเนี่ยหรือแม่ตัวเนี่ยนั่งนุ่งขาวของขาวพิงเสา ในท่านั่งขัมะ ใ, ในท่านั่งสมาธิข้างหน้าก็มีร่องรอยของการจุดทุบเทียนนะนะเรียกก็ไม่ตอบ ก, ก็เลยก็เลยแตกตัวยายเพราะว่ายายนี่ก็ล้มล่างนี่นอนไปกองกับพื้นเลยหมดลไมไปแล้วฮะอาจจะหมดลมไปสักชั่วโมงแล้วคำถามคือว่ายายรู้ไหมว่าคนที่เป็นอสุดท้ายรยาย ยายจะรู้นะไม่งั้นเนี่ยยายต้องใส่บาตนะแ ล, ยายล้วยายรู้ว่าเป็นสุดท้ายทำไมยายไม่บอ ก, ไ ม, บอกไม่บอกลูกไม่บอกหลานเพราะปกติคนเราจะตายยังต้องบอกลูกบอกหลานสังเสียใช่ไหมตัวผมพวอไ ม, มีอะไรสังเสียแล้วอะไรที่ควรทาอะไรที่ควรบอกบอกหมดแล้วใช่ไหมถึงเวลาตายก็ขอตายคนเดียวหรพร้อมจะตายคนเดียวต่อนหน้นขาถลูขึ้นลูกพระรนัตนก็ตาย เห็นั่เป็นการตายที่เป็นการตายที่สงบมากแลว้วก็สวยงามมากคนที่นั่งตายแบบนี้เนี่ยเคยได้ยินว่ามันมีแต่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ก็ยังมีนะนั่งตา ย, ยไม่ใช่พระแล้วเป็นโยมจะทำนี้ได้เนี่ยนะตาคเชื่อว่าเนี่ยต้องเกิดจากการที่ได้ทำบุญมาสม่าเสมอแล้วทำความดีรวมทั้งทำหน้าที่ต่อต่อลูกต่อหลานแล้วก็สาคัญคือปล่อยวางด้วย คนที่ปล่อยวางแบบ น, นี้ได้คือถึงเวลาตายก็ไม่ตื่นตระหนกนะขอไปไปนั่งตายในห้องอันนี้เรียกว่าไม่กลัวความตายนะพร้อมรับความตายไม่เห็นความตายเป็นศัตรูแต่ทาําำก่ได้ต้องมีการเตรียมนะอาจจะปฏิบัติธรรมมาด้วยซ้ำต้องปฏิบัติธรรมมาแน่นอนเลยรวมทั้งการฝึกปล่อยวางด้วยลูกสาวเออหลานสาวเนี่ยมารู้ว่ายายตายเนี่ยก็ประมาณใส่ใา่ เมื่อมาทบทวนเหตุการณ์ก็เลยเข้าใจเลยนะที่ที่ยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าลูกหลานไม่ต้องซื้ออะไรมานะหมายถึงว่ายายพร้อมจะปล่อยวางนะไม่เอาอะไรแล้วนะเพเป็นการตายที่ที่ที่สงบแล้วก็สวยงามมากเห็นเลยนะความตายไม่น่ากลัวนะมันอยู่ที่ว่าเตรียมพร้อมแค่ไหน ที่ธรมาชื่อว่าคุณยายเน่ยคงจะเริ่มร่นนสติเป็นปนระจำที่คนหนึ่งนะที่ธรมาประทับใจนะชื่อคุณหญิงใหญ่ดารงธรรมศารคุณหญิงใหญ่นี่นะเพื่อมเป็นที่รู้จักนะว่าเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องธรรมาธรรมาุธรมธรมปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ30สปีที่แล้วนี่คนไปคิดว่าอาจารย์ม่านเนี่ยเขียนนะทีมกันใหญ่เลยนะ ฝันหลังขึ้นมาเปิดเผยว่าคุณยิงใหญ่เนี่ยเขียนไม่ใช่การมั่นนะคุณยิ้ใหญ่นี่เป็นเป็นลูกเสนาบดีนะแต่ว่าเป็นผู้ที่ฝ่ายทํามากเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธโฆษ า, าจารย์วัฒเทพสรินสมเด็จพระองค์นี้น่าสนใจมากนะมีลูกศิษย์ ท, ที่ที่เก่งเยอะมากเป็นคาราวา่าทั้งที่ท่านเป็นพระเมืองไดอย่วัเทพสรินท่านเก่งเรื่องปริยัติและปฏิบัติด้วย ตอนหลังเนี่ยตอนอายุสัก50 50 3 50 4สามีเสียชีวิตก็เลยบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นแม่ชีแล้วกออายุสัก58ก็ป่วยหนักนะป่วยหนักนใจก็สงบนะวันหนึ่งหมอก็มาตรวจตอนที่อาการแย่แล้วหมอก็พูดบอกว่าเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานแม่ชีบอกคุณหมอไม่ต้องมาปลอบฉันคือรู้รู้ดีรู้ตัวเองว่า ว่าอาการหนักแนละ้วแล้วก็วันนะั้นหรือสองวันต่อมานะก็รู้ว่าแย่นะก็บอกเด็กแค่เป็นนิมนต์พระมานิมนต์พระที่รู้จักนิมนต์มาทําไมนิมนต์มาให้สวดแต่สวดบนไหนนี่ท่านสั่งเลยนะสวดบนไหนบอกให้พระบอกให้พระสวด น, นะนะพระสวดเสร็จนะก็สนทนาธรรมสนทนาธรรมสักครูเนี่ยคุณยายก็บอกว่า ก็กราบแล้วก็จ บ, จบกการสนทนาแล้วก็กราบรอหที่กราบเนี่ยบอกว่าก็บอกว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่กราบสามทีนะแล้วก็นิ่งเลยตายนะครโอเป็นการตายที่สงบนะตายในค้ากราบนะแล้วก็พระนี่ไม่รู้เลยนะเห็นกราบแล้วเห็นนิ่งเลยก็ยังสงสัยทําไมนิ่ง พอรู้ว่าตายหมดลมก็ยัง<ม>พูดเลยว่าเอานี้ตายจริงๆแล้วหรือเนี่ยคือมีที่ไหนตายที่่ากราบใช่ไหมนี่คารวะนะคือเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องปฏิบัติธนะรรมแ้การเจริญานสติด้วยคือรู้ตัวจนกระทั่งนาทีสุดวินาทีสุดท้ายนะกราบเสร็จไปเลยนะก่อนกราบมันบอกวนะ่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่นัเห็นได้ความตายมันไม่น่ากลัวนะ แล้วโดยท้าเราเจอรมอนันทั้ง4เป็นประจำเนี่ยเราจะความสามารถในการที่เราจะเผชิญความตายสงบก็จะก็จะมากขึ้นและการตายเราจะเป็นการตายที่สวยงามก็ได้เราก็พอสมควอเวลาเราก็พอติดติด ก, การบรรยาย พี่เอร์ค่ะและสวัสดีกาลยานิคผู้ฟังทุกท่านนะคะนี่ชั้นเป็นตัวแทนจากนิยาสานซิเกรคค่ะวันนี้ขออนุญาตถามคำถามพระอาจารย์นะคะมีคำถามเดือดสองข้อนะคะจากกาลยานิคผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้คำถามแรกเห็นสภาวะว่ า, วากิเลสเกิดขึ้น ต, ตัวเองว่ากําลังมีกิเลสเหมือนกันหรือต่างกันค่ะมันมันใกล้ก น, นะแต่ว่าเห็นสภาวะเนี่ยมันไม่ต้องเตือนคือมันเห็นอยู่แล้วนะการการที่เห็นเนี่ยเห็นด้วยสตินะว่ากิเลสจะเป็นกิเลสตัวไหนก็แล้วแต่ความกรวความโลภแค่เห็ก็พอนะแล้วถ้าเห็นเนี่ยน ะ, ะเห็นถูกเนี่ยมันจะเห็นแต่เป็นกลาง เพราะว่าใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องผักสายต่อต้อตานกดโข่มมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันไ ม, ไม่ต้องเตือนตัวเองแต่การเตือนเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นตัวช่วยมากกว่าตัวช่วยให้สติทำงานได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าสติเห็นแล้วเนี่ยสตยิทำหน้าที่ทําให้เห็นแล้วนะมันไม่ต้องเตือนแล้วนะนะ แล้นี่มันมันมันมันจะมีความแตกต่างอยู่แต่ว่าก็ใกล้เชิงที่ว่าเพื่อให้เกิดการมีสติแต่ว่าการเตือนว่ากิเลส ก, กลาลังเกิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ในแง่นัก็คือช่วยให้มีสติมากขึ้นแต่ข่าวดีกันก็อาจจะเป็นการระดมธรรมะข้ออื่มนาะใช้เช่นขันติอดทนเช่นโกรธแล้วนะเตือนว่าตัวเอนโกรธแล้วนะ เพราะนั้นนี่นต้องต้องเตรียมเตรียมใช้คันติธรรมแล้วเช่นพยายามควบคุมกายวาจาไม่ให้พูดไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรอันเนี้ยไอตอนเตือนเนียมันจะช่วยแต่ถ้าเห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นนัมันไม่ต้องเตือนนะมันอัตราว่ามันดีกว่าการเตือนกลับขอบพระคุณค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะ หัวข้อมรณาลุสตินั้นมีความหมายใกล้เคียงกับประโยคนี้หรือไม่คะทําความดีหรือมีความสุขให้มากๆเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่ค่ ะ, ะใกล้เคียงแต่ว่ามรณสติมันมันมันมีผลน้อยเหมือจากการทําความดีนะแต่มันมีผลในเรื่องการทําให้เราทําให้เราเรียนรู้การปล่อยวางวีการปล่อยวาง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเจอระโมนแนสติดีนะมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายหลายคนเี่พอรู้ตัวจะตายเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาสดใสมากขึ้นมีนักดนตรีชาวติ้งชื่อวิตโกจอนสัเนี่ยไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเป็นมะเร็งตัดอยู่ได้เก้าถึงสเดือน แกจะโงพยาบาลที่แทที่แกจะกดผูนะแกก็สูดหรู้สึกมีชีวิตชีวามากเลยนะเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้นะี่รู้สึกมันพิเศษมากเลยรู้สึกว่ามันอัศจรรย์มากนะบอกว่ามันมีชีวิตชีวามากแกถึงก็บอกว่าไ อ, ไอ้เหตุเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิด ค, ความกลัวนะมันหายไปปิดทิ้งเลยมันเป็นความรู้สุขที่ แกยังบอกว่าทําไมมันเพิ่งเกิดขึ้นทําไมมันไม่ไม่เกิดขึ้นก่อนหน้า น, นี้นะพะที่จางจะตายนะแต่เขาสุขว่าความตายมันมาเตือนเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยต่อไปจะไม่ได้เห็นแล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาจ้าสูมมันมีคุณค่ามามากอาตมาคิดว่าถ้าเราใช้ความตายที่ใกล้มาเนี่ยใกล้ถึงตัวเนี่ยในแง่เนี่ยคือทําให้เราเห็นความสุขของปัจจุบันขนาดได้ง่ายขึ้นเนี่ย มันจะมีประโยชน์มากเลยแต่ว่าต้องเน้นเรื่องความเพียรด้วนะการที่ผู้จ่านเนี่ยสอนให้เจริญ ร, รังนัสดชอยู่ประจันเนี่ยเหตุผลก็คือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพียรเฉกแต่วันนี้มีมีพุทธภาษิตอันนึงเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยความเพียเรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในคืนนี้อันนี้ บ่งชี้เลยนะว่าการที่เรารู้ถึงความตายเี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเร่งทาความเปลี่ยนระแสวันนี้ความเพียนในที่นี้ลดถึงการทําความดนะีแล้วก็ลดถึงการฝึกจะเห็ความจริงด้วยกราบขอบพระคุณค่ะข้ามีเป็นขางนะคะตอนนี้คิดว่าตัวเราตายไปก็ไม่มีอะไรติดทางแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนตายจริงๆจิต จ, จะเป็นอย่างไรค่ะ มืวิธีฝุจิตยอย่างไรดีคะดอนเจอร์สีกฐารสีเนี่ยนะเป็นเป็นหัวใจกรรมฐานาแบบพุตเลยอรตมจะจาเป็นมากเลยนะถ้าว่าต้องการตายสมบเนี่ยเจริญสตินะโดยสยรู้กายเวชนาติธรรมรู้กายรู้ใจเพราะว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราไม่ล้วดมันจะมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง อาจจะมีความรู้สึกห่วงหาอะไรที่เราเชื่อไม่มีเนี่ยพอจะตายอาจจะมีโผล่ขึ้นมาหรือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดเนี่ยนะบางทีมันซ่อนนะหรือว่าเรากดมันเอาไว้พอมันพอจะตา ย, ยโผล่ขึ้นมาอย่างนางบริกาเทวียโผล่มาตอนจะตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณที่แบบนี้เนี่ยอาจจะขอเข้ามาใช้ไม่ได้นะนะต้องทําอะไรคือปล่อยวาง ปล่อยวางได้ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทําให้เรา ร, รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เก็คือสตนะิเพราะฉะนั้ น, นการเจริญสติปัฏฐานสีน่เป็นพื้นฐานเลยนะส่วนการการปฏิบัติทำกรรมฐาน อ, อย่างอืงอ่นเช่นเมตตาภาวนาหรือว่าเาจริญอนุสติสิบโดยเฉพาะ3ข้อแรกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารานุสติหรือว่าศีลานุสติเนี่ยก็ควรทําด้วย เพราะว่าเวลาจะตายเนี่ยถ้าเราเลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็ทําให้ทำให้จิตใจเรามั่นคงหากว่าเกิดเวทนาทุกขเวทนาขึ้นและเรามีพุทธะ ธ, ธรมมาสังขานุสติเนี่ยเป็นที่เราเลึกถึงของใจเนี่ยจะทําให้เราเนี่เกิดปิติปราโมทย์ทำให้ทุกขเวทนามันน้อยลงก็ทําทให้เราสามารถจะตายสงบได้เหมนกันนะครับขอบคุณค่ะ อีกสองคำถามทุกทา่านทท า, ททาอีกสองถามสุดท้ายนะคะเจริญ ม, มานานรู้สติมาเรื่อยๆแต่ในใจตื้นๆยังรู้สึกว่าจะมีชีวิตยืนานอยู่อีก80สปีเราควรทําใจหรือปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ต้องแสดงว่ายังยังเจริญมานนรูส้สติได้ยังไม่ตีการเข้าไห <laughs> นะทําให้ยังมีความประมาทหรือยังมีความหลงในมีความยึดในชีวิตอยู่นะ อันนี้เนี่ยจะต้องเจริญรังสิให้มากขึ้นแล้วก็ให้มันจริงใจงมากขึ้นบางทีเป็นแค่ความคิดนะที่เราคิดเอาอาตมาคิดว่าอาต้องไปหมั่นไปโรงพยบาบาลไปดูผู้ป่วยะนะแล้วก็จะได้รู้ว่าโอ้คนบงคนมไม่น่าป่วยก็แต่ป่วยได้นะไม่น่าป่วยยังไงที่กเขายังเด็กอยู่เขายังหนุม่มนะยังสาวอยู่นะ ราบขอบพระคุณค่ะคำถามสุดท้ายค่ะใช้ชีวิตให้เบิกบานมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับความเพลิดเพลินมีความสุขต่างกันหรือกันอย่างไรคะเอาหม่นะใช้ชีวิตให้เบิกบานใช้ชีวิตให้เบิกบามีความสุขกับใช้ชีวิตกับความเพลิดเพลินมีความสุขค่ะใช้ชีวิตให้เบิกบานเนี่ยมันหมายความว่าคุณอาจจะทํางานคุณอาจจะมีภาระนะแต่ว่าคุณก็ เนื่องจากทําจิตให้เบิกบานแจสายเนี่ยทำได้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณเผชิญเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์ลาบากใช่ไหมอาจจะจ็ป่วยจะป่วยแตใช้ชีวิตเบิกบานได้นะหรือว่าทุกยากยากจนใช่ไหมหรือว่าถ้าอยู่ในคุกอะ่ะง่ายอย่างอย่างคานธีในคุกหรือว่าภาคธิดาในคุกเนี่ยแต่ท่านก็สามารถจะอยู่แบ บ, บเบิกบานทำใจให้เบิบานได้ แต่ประการหลังเนี่ยนะมันมันมันยังไม่ใช่ใช่ชื่อกับความเบิกใช่ชื่อกับความบิกบ้านก็คือใช่ชื่อให้มันใช่ชวิตอยู่กับความเบิดบานใช่ไหมความสุขใช่ไหมแต่ของที่มันไม่เที่ยงเนี่ยไอ้ความสุขที่เราที่เราไปไปเสร็ไปสวยมันเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมถ้ามันเบิกไปเมื่อไหร่เช่นอาหารไม่อร่อยหรือว่าแดดร้อนฝนตกนะเราจะเบิกบานได้ไหมนะแต่ถ้าเป็นอย่างแรกเนี่ย ประโยชน์แกข้อความแรกเนี่ยตนักว่าทำได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ดีมันเป็นเรื่องการทําใจมากกว่ากล่าวขอบพระคุณนะคะขั้นถังตําเลนี้ขั้นถังเนี่ยคะกลาวขอบพระคุณพระอาจารย์เปี่างสูงนะคะที่เมตตากรถามให้ใน่ันนี้ค่ะกลาวขอบพระคุณค่ะ ข้อคำถามและคำตอบในวันนี้ทางทมงาขออนุญาตนะคะลงในคอร์นธรรมะเดลีค่ะเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านของเราได้ประโยชน์ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะรับมกับผมก็ป๋องพันตัวแทนมิตสารสิทรลดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณเวลาดูท่าทางนะครับเป็นตแทนในการฝ่ายปลอดสาการจัดการอาสรสมัคร